าหลักการความสุขคืออะไรเมื่อจะพัฒนาความสุขก็มาดูความหมายของความสุขเสียก่อนว่าความสุขมีความหมายว่าอย่างไรความสุขคือการได้สนองความต้องการหรือใช้ภาษาง่ายๆว่าคือความสมอยากสมปรารถนา ขอทำความเข้าใจไว้ก่อนว่ามี่ยังไม่ใช่ความหมายที่ครอบคลุมทั้งหมดแต่ครอบคลุมในระดับพื้นฐานที่มีขอบเขตกว้างมากเป็นความหมายที่สาคัญอย่างยิ่งความสุขที่คนทั่วไปรู้จักก็อยู่แค่ความหมายนี้เราอยากอาบน้ำแล้วได้อาบน้ำก็มีความสุขอยากรับประทานอะไรแล้วได้รับประทานก็มีความสุขเด็กอยากเล่นแล้วได้เล่น ก็มีความสุขนี่ก็คือได้สนองความต้องการหรือสนองความอยากความปรารถนานั่นเองสำหรับคำว่าความต้องการบางทีเราใช้คำว่าความต้องการให้ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่านิสอย่างในเศรษฐศาสตร์คล้ายจะบัญญัติให้ให้แปลคานามพหูพจน์ของคานี้คือนิ s ว่าความต้องการจำเป็นส่วนความอยากความปรารถนา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 สติสัพพะปัฐิยาแปลว่าสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงหมายความว่าสติเป็นธรรมะที่ต้องใช้หรือจำเป็นในทุกกรณีจำปรารถนาก็ใกล้กับคำว่าจำเป็นแต่ไม่ตรงกันแท้เช่นในตัวอย่างว่าในกระท่อมหลังหนึ่งที่เราจะเข้าไปนอนไม่มีอะไรเลยนอกจากพื้นดินที่เฉอแฉะและครุขระ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 ถ้าเทียบกับคำภาษาอังกฤษก็ให้ถือว่าเท่ากับ d e s ซ r e ทั้งนั้นเมื่อบอกว่าความสุขคือการได้สนองความต้องการหรือการได้สมอยากสมปรารถนา <t> <acompañ ann> เรื่องก็เลยโยงไปหาคำว่าต้องการหรือปรารถนาซึ่งต้องมาทำความเข้าใจกันความต้องกา ร, การหรือความปรารถนานี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ขอยกพุทธพจน์มาตั้งเป็นหลักพระองค์ตรัสว่าฉันทมูลกาสัพเพธรรมมาแปลว่าธรรมะทั้งปวงมีฉันท์ท่เป็นมูลหมายความว่าเรื่องของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างมีความต้องการเป็นมูลมีความอยากเป็นต้นทางเพราะฉะนั้นหนึ่งเราจะต้องทําความเข้าใจเรื่องความอยาก